การภาวนาหัดทําความสงบให้จิตใจคือจิตใจนี่มันไม่สงบความที่ไม่สงบก็คือมันคิดไปนู่นไปนี่มันไม่หยุดไม่หย่อนนั่นคือความสงบเหมือนลิงลิงนี่มันไม่อยู่สงบมันลอกลอกแปรกแกรกอยู่ตลอดเวลานั่นคือความไม่สงบทีนี้จิตนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ มันจะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ไม่ก่อยอยู่ที่เราจะฝึกเนี่ฝึกให้มันอยู่การฝึกจิตให้มันอยู่ให้มันสงบให้มันนิ่งเนี่ยมันดียังไงนั้นคงจะไม่ต้องพูดกัน่พราะพูดมาหลายแล้วผู้บาอาจารย์ก็พูดมาทั้นเทศมาเยอะแม้กระทั่งในที่พระพุทธองค์สอนมา กรรมฐานก็มีสมถะกรรมถานมีศาสนากรรมฐานพนันน้นก็มีสมถะคือกำลังของจิตของใจก็มีความสงบนี่แหละเป็นพื้นคืสมาธิมันจึงมีความสำคัญมากคนเราที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จน่ะทำอะไรก็ไม่เป็นผลดีไม่ได้รับความสุขความร่มเย็นเนื่องจากจิตไม่สงบนั่นเองลอง คิดดูเถอะจริงๆอย่างนั้นทีเดียวถ้าจิตสงบแล้วนะ่ะคือไม่รุ่มร้อนไม่กัะวนกระบายนั่นแหละคือจิตสงบถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วร่วมเย็นทีเดียวสบายไม่จ้องอุบายอะไรอย่างอื่นมากในแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรารักษาจิตให้นิ่งอยู่ได้นั่นแหละเป็นร่มเย็นทันทีเลยซึงความร่มเย็นในจิตใจเนี่ยใครๆก็ต้องการทางนั้นน่ะ เราจรึงจะต้องฝึกเพราะว่าเรายังไม่เป็นทีนี้การฝึกจิตคือการภาวนาที่เราพูดใช่ไหย ม, มันก็ทํายากเหตุที่มันทํายากมันมีหลายๆอย่างเราลองนึกอยู่รักสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราเนึกว่าเราจะทําจิตของเราให้สงบเหมือนคนนั่น เหมือนอย่างที่เราได้ยินมาเหมือนคนนู้นเหมือนหลวงปู่เหมือนใคร e, ๆที่เขาพูดเขาเล่ากันมาจะให้จิตมันสงบเป็นสมาธิอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่อันนี้อย่างหนึง่งอันนั้นก็เป็นเหตุให้เรามีความคิดว่าเดียวจะต้องปลูกแล้วจิตสงบกระทำเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเหมือนคนนั้นเหมือนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมานี่พอจิตเรา มันจะดีอยู่แล้วมันจะเป็นอยู่แล้วมันจะเป็นอุปจาระมันจะเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เราได้ยินเราก็เลยนึกว่ามันไม่ดีก็เลยไม่ชอบใจก็เลยไม่เอาจะไปเอาเหมือนเขาจะไปเอาเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังมาได้รู้มาเนี่ยเราจะเอาอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วนะ จิตของใครกับของคนนั้นจิตดวงไหนกับดวงนั้นมันไม่ได้จําเป็นจะต้องไปเหมือนกันเลยมันเป็นเรื่องของใครของใครจิตของเราเนี่ยมันไปอยากจะให้เหมือนนู้นเนื่องความจริงถ้าเราลดอันนี้เสียเอาละก็ไม่อยากเหมือนใครละเอาเหมือนเรานี่แหละทําจิตอย่างนี้ทําจิตว่าเอาเราภาวนาเนี่ยทําจิตสงบมันจะสงบแบบเรานี่แหละเหมือนเรานี่แหละ คนอื่นเขาก็เหมือนเขาอย่างนั้นถ้าเราจะไปเอาผลประโยชน์จากการที่เขามีความสงบแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เนะ่ะเราก็ไปเอาเพียงกำลังใจเท่านั้นว่าเออคนนั้นเขายังทาเลยตามความสงบแล้วมีจิตสงบเป็นไปดีจิตใจก็สงบเนี่ยหลวงปู่ท่านภาวนาดีจิตใจของท่านสงบ่มเย็นมีอนุภาพมีคุณภาพเนี่ย เราจะทำของเรามาั้งให้เราไปเอากำลังใจอย่างนั้นให้นึกว่ายั ง, ยงมีครูบาอาจารย์เป็นทิศทางให้เราดำเนินตามอยู่เป็นกาลังใจแก่เราเอาเท่านั้นอย่าไปเอาให้เหมือนท่านอย่าไปเอาให้เหมือนใครอื่นทั้งหมดเราคิดว่าเอาเหมือนเราเอาแค่นี้ปัญหาก็จะหมดไปมากทีเดียวคือว่าต่อจากนั้นไปเราไม่ต้องไปกังวลใครเลย ไม่ต้องประวนใครมันจะเหมือนใครก็ช่างไม่เหมือนก็ช่างแต่ในที่สุดมันกอหมันเราก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วมันสบายแล้วมันดีแล้วแล้วในที่สุดมันก็จะดีจริงๆเพราะว่าการภาวนาเนี่ยถ้าเรามาทำที่เราแล้วก็มันถูกเรื่องและมันเป็นก็เป็นแบบเรามันก็ถูกเรื่องเหมือนอย่างเด็กกับผู้ใหญ่นี่นะเด็กเนี่ยเด็ก มันกินข้าวคำเล็กผู้ใหญ่กินข้าวคำโตยอย่างเนี้ยมันก็ต้องทํานองของไก่ของมันมันต้องขนาดของไก่ของมันอย่างเนี้ยมันจึงจะพอดีมันจึงจะทูอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราตัดปัญหาเรื่องว่าจะไปเอาให้เหมือนใครอื่นได้แล้วก็ตัดปัญหานี้ออกได้สบายภาวนาพอเป็นจะเป็นไว้ด้วยและถูกต้องด้วยไม่ต้องไปเหมือนใคร จะไปเหมือนแต่ไม่จะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนใครพวกที่มีฤทธิ์มีเดชเขาก็อาจจะสร้างของเขามาก็มีของเขาะมันก็เรื่องของเขาส่วนเราก็ทำมาจิตเราสงบแล้วมันจะมีฤทธิ์มีเดชมันก็เรื่องของเราไม่นี้ก็มันเรื่องของเราแต่แล้วได้ทีขึ้นมาก็คือจิตเราสงบนี่มันได้อยู่แล้วอันนี้เป็นประการหนึ่งคือว่าเราจะเที่ยวไปเอาให้มันเหมือนใครต่อไปนี้ไม่ต้องเอาเหมือนใครนะ ภาวนาไม่ต้องเอาเหมือนไก่เอาเหมือนเรานี่แหละมันจะเป็นยังไงมันก็เอาเหมือนเราเอาแค่นี้สบายขึ้นเยอะจริงประการหนึ่งก็คือว่าเราหลงทางเราหลงทางเราชอบชอบจะไปไปฝุดที่อื่นไปฝุด้างนอกเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวความจริงแล้วเรามานี่เราจะมาฝุดใจของเราเนี่ย เราจะมาปลุกใจของเราเราน่าจะให้ความสนใจผิดของตนใจของต น, นมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าคนอื่นแต่เราก็สนใจคนอื่นมากทุกคนนันแหละสนใจแต่คนอื่นมากวนวันหนึ่งเนี่ยสนใจมากขึก้นๆถ้าคนโน้นเป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นอิริย า, าการอย่างนั้นความประพฤติดีไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้น ไปอยุ่แหละไปสนใจอยู่นู้นแหละไปชื่นชมยินดีไปตำหนิดิเตียนไปโกรธไปรักไปชังนิยมชมชอบชมชื่นอยู่นู้นแหละแทนที่ว่าเรามาภาวนาเราจะมาอยู่ที่ใจกายของเราตัวของเราใจของเราเนะี่ยเปล่ามันไปทำเรื่องที่มันไม่ถูกเรื่องการภาวนาจริงๆแล้วเขาจะต้องมาสังเกตตนเองมาสนใจตนเองให้มากๆ เรามันหลงทางตรงนี้เพราะเหตุว่าตาก็ดีหูกด็ดีจมูกลิน้นกายรวมแม้ใจด้วยมันมีแต่จะคอยรับสิ่งที่อยู่ข้างนอกตามันก็มองไปข้างนอกหูมันก็มีรูอยู่ตรงนี้มันก็รับเสียงที่มาจากข้างนอกเนี่ยอะไรทางๆงมันมีมีแต่มุ่งหือว่าเปิด ท่องก็เปิดเอาไปรับข้างนอกนะเราก็เลยไปรับเอาแต่ทางนู้นนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่จะมาดึงเราให้นี้ออกจากทางให้นี้ออกจากงานการเจ้าของมันเลยมากเราก็เลยหลงหลงเรื่อยนั่นแหละหลงทั้งวันหลงทุกวันเนี่ยต้องคิดดูที่หลงทั้งวันแล้วหลงทุกวันแล้วมันจะไปเหลืออะไรเรา แค่มากำหนดจิตกำหนดใจหรือว่ามาดูตนเองว่ากายของต น, นเราพึ่ืดีไหมวาจาของตนพูดดีไหมเป็นบาปไหมหรือมันเป็นบุญไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแล้วแล้วเรื่องใจอีกจะทําจิตทำใจให้สงบเนี่ยมันก็ไม่ได้มาดูสักทีกายก็ไม่รู้วาจาก็ไม่ไม่ได้ดูใจเรายิ่งไม่ได้ดูใหญ่ เราเห็นกวได้เห็นแต่ข้างนอกมงแล้วคนนน้นก็ไมดีคนนั่นก็สวยคนนี้ก็ขี่เลอคนนั่นก็ดีคนนี้ก็เร็วอะไรสารพัดเห็นไปเห็นได้ยินก็ได้ยินนู่ะพูดไม่เพราะานี่พูดเพราะก็เปนเรื่องว่าทำงานไม่ถูกที่โดนหลอกลวงเแค่นี้ไปจากการงานที่สมควรสัมมารกรรมันโตนั่นว่าการงานชอบแต่มันก็ไม่สัมมากัน แ, แล้ว มันไปทำกรรมตายกรรมที่ไหนว่าจีกรรมที่ไหนทำงานการที่ไหนมันไม่สัมมาันแล้วมันก็เลยไม่เจริญเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราเนี่ยชั่วโมงหรือเวลาที่เราจะเอามากาหนดทำงานของเราคือกาหนดใจกาหนดกายกาหนดหวาจาแล้วจิตใจของเราจึงจะอยู่จึงจะเป็นสมาธิจึงจะสงบเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มาทำสงบแทบจะทั้งวัน และเกาะแทบจะทุกวันแลวมันจะไปเหลืออะไรมันจะไปดีอะไรมันก็เลยไม่ดีนี่แหละสองประการนี่แหละประการแรกก็คือว่าเราจะเที่ยวไปเอาให้เหมือนคนอื่นเนี่ยเลือกเสียมาเอาเหมือนเรานี่แหละอันที่สองก็คือเราอย่าไปสนใจคนอื่นให้มันมากเอาถ้านิสัยนิสัยไม่ดีอันนี้คือนิสัยไปสนใจคนอื่นนี่มันมันสร้างมานาน มันจะเลิกทีเดียวไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงให้มีเวลามาสนใจตัวเองให้มากๆขึ้นอย่างเราอยู่ที่กุฏิเราอยู่ที่ที่พักนะอย่าให้ใจมันหนีไปไกลก่อนเอาทีแรกเอาแค่ในบริเวณเนี่ยใต้ไารค า, านเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนเนี่ยต่อไปเมื่อมันอยู่ดีแล้วขยับเข้ามาให้อยู่ในตัวเนี่ยในกายของเราเนี่ยให้มันอยู่ในนี้นะ ให้มันรู้จักมีหัวเขาอยู่ตรงนี้หัวแม่เท้าอยู่ตรงนี้ก้นอยู่ตรงนี้หัวอยู่ตรงนี้หูอยู่ตรงนี้มืออยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยให้มันรู้อย่างนี้เนี่ยมันการรู้ตัวสัมปชัญญะก็คือสติมันกอยู่นี่เมื่อมันอยู่แถวนี้มันก็คือสมาธิถึงแม้ว่ามันยังจะไม่รวมขนาดที่ว่าเป็นจุดเดียวต่อไปแล้วกาหนดให้มันเล็ดเข้าไปกว่านั้นกําหนดจะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก เราทำอย่างนี้ค่อยๆให้มันพยายามอยู่กับตนเองนี่อยู่กับตนเองอยู่กับแก้งกับขาแล้วก็ต่อไปต่อมาก็อยู่กับลมหายใจพออยู่กับลมหายใจเมื่อมันอยู่ดีแล้วมันเป็นปกติดีของมันละมันจะเข้าไปอยู่เป็นใจเขาเนี้เนี่ยมันจะวางลมหายใจที่มันจะเหลือมันจะเหลือแต่ใจคือมันวางลมเนี่ยลมมันหายมันก็เลยเหลือแต่ใจ เมื่อเหลือจใจใจแล้วดีล่ะตอนนี้มันสงบมันนิ่งความร่มเย็นตอเกิดกําลังจิตกาลังใจคือความไม่ล้มจิตใจที่เพ้ยนแผงจิตใจที่ไม่ล้มกระเด็นไปกับอารมณ์ต่างๆนี่ล่ะถ้าใจเราสามารถลงสู่ความเป็นใจได้บ่อยๆคืออยู่นิ่งสงบได้เป็นใจบ่อยๆ อ, อย่างที่หลวงปู่ท่านว่าเนี่ยจิตใจจะมีกาลังเนี่ยเรามาูดกันนี้กันถ้า เราไปสนใจที่อื่นๆ อ, อยู่เรื่อยแม่กลับมาสนใจตนเองโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ไม่มีเราจะไปเก่งก็เก่งเรื่องข้างนอกนั่แหละเก่งเรื่องคอื่นนั่น แ, ลแหละซึ่งไม่ได้ถูกเรื่องถูกลาอะไรเลยมีแต่จะสร้างทิษข้างใครขึ้นมาต่อไปนี้เอาใหม่หนึ่งให้ภาวนาแบบว่ามันจะเป็นแบบไหนจะภาวนาจิตเป็นสงบจิตเป็นสมาธิ จะเป็นภาวนาก็เห็นเป็นแบบเรานี่แหละไม่ต้องไปเอาเหมือนใครเอาเหมือนเรามีประการหนึ่งประการที่สองก็คืออย่าไปเอาไกลอย่าไปเอานอกไปจากตัวเองคนอื่นแค่หัวเขาเถอะช่างเขาเขาจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงจะสวยจะขี้เล่จะถูกจะผิดจะดีจะชั่วอยู่ในเรานี่รักสายใจไปในนี้ไม่นานหรอกเป็นแน่แน่ต่อไปนี้ เราฟังเสกโกนองปู่กางตั้ง อ, อกกันใจภาวนากำหนดจิตไว้นี่อย่าสงไปไหนถ้าเราส่งไปนะมันส่งไปมานานแล้วนะนานแล้วทุกวันแทบจะทั้งวั น, นคิดดูมันไปเหลืออะไร